ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนอสมาธิทิูตรในช่วงที่พระตกถาจารย์ท่านอธิบายขยายความขององค์ธรรมในแต่ละข้อ แต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นการนำพระพุทธธรรมรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องนั้นๆในที่ต่างๆมาร้อยเรียงขึ้นไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการึุษาหลักธรรมในทาง พ, พุทธศาสนานั้นพระอราจารย์มีบทบาทสำคัญมากเพราะถ้าเราทุกคนจะต้องไปติดตามประเด็นของ ข้อความนั้นๆในเอกสารต่างๆก็คงจะไม่สามารถรู้อะไรกันได้เท่าไหรหรอกเพราะว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลเือเกินในชีวิตเดียวคนไม่สามารถจะอ่านพระไตรปิฎกให้จบหมดทั้งส5้าเล่มพร้อมด้วยอัตตกถาก็ประมาณส5สิบ้าเล่มเหมือนกัน แต่นันการที่พระอาจารย์ท่านดึงทุกเรื่องมาไว้ในที่เดียวกันแล้วก็มาอธิบายขยายความนบนั้นอย่างยกย ก, ยกตัวอย่างเช่นประเด็นของคำว่าอนัตตาอนัตตาเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นจะทรงแสดงคำหนึ่งในที่หนึ่งนี่จะแสดงเพียงความความหมายเดียว หมายความมาผู้ฟังในขณะนั้นนั้นสามารถเข้าใจความหมายของหลักธรรมข้อนั้นโดยใช้ประเด็นไหนก็จะทรงแสดงประเด็นนั้นแต่ว่ากรอกกรอข่ายความหมายของคำว่าหน้าตานั้นที่จริงมีกระจายเยอะพระตรถาจารย์ก็เห็นว่าที่มันซ้ำๆกันอยู่มากประเด็นที่ส่งเน้นบ่อย มันก็มีอยู่สีประเด็นประเด็นแรกก็คือหนึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาสังขารทั้งหลายให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ประเด็นที่สองสังขารทั้งหลายนั้นตรงกันข้ามกับนิยามของคำว่าอัตตาที่เขาหมายถึงเป็นตัวเป็นตนที่ทแท้ทาวน ย, ายั่งยืน ประการที่สามพอย่อยไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันศูนย์เป็นพลังงานไม่ใช่เป็นสสารคือเป็นพลังงานไปเลยในประเด็นที่สี่ก็คืออะไรก็ตามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของตัณหาว่าเป็นของเราของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นจริงและสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นของเราจริง เป็นการพบปะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จบลงด้วยการจากไปใครจะจากใครก่อนอะไรจะจากอะไรก่อนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนท่านก็รวมไว้ในที่เดียวกันตอนนี้เรากาลังพูดถึงประเด็นของคำว่าตันหากับเรื่องอาหารวันก่อนได้พูดถึงประเด็นของอาหารสี่ สประเภทอาหารแปลว่าสิ่งที่นําผลมาให้เมื่อบุคคลมีความต้องการในสิ่งเหล่านั้นเช่นเกาลิงกระราหารเราก็ต้องเกิดความอยากที่จะกินอีกอยากอยากที่จะดื่มแล้วก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นมากินมาดื่มสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาหารหรือว่า รู้เสียงกินรถโปรตีาธาตุมันมมันนำผลคือความรู้หรือความดีใจแม้แต่ความไม่ไม่พอใจให้เกิดขึ้นพอเราได้เห็นเป็นต้นมันก็ได้ได้ทับผลคือเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็แสดงว่าเราต้องมีความต้องการเกิดขึ้น แล้วก็ปัสาอาหารคือเวลามันกระทบกันเนี่ยคือเราอยากกระทบพอเราต้องการผลที่เกิดขึ้นจากการกระทบในส่วนใหญ่ก็ต้องการผลในทางที่ดีนั่นแหละแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้ในสุดเราก็สัมผัสทั้งดีและไม่ดีก็แสดงว่าความอยากสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอาหารหรือว่าอาหารนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดสัมผัส มโนสัญเจตานาอาหารคือความจงใจความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนต้องการเราเกิดความรู้สึกต้องการอย่างนั้นขึ้นมาแล้วอาหารเหล่านั้นก็เกิดขึ้นข้อต่อไปท่านกล่าวว่าเพราะตัณหาเก่าก่อนเกิดขึ้นสมุทัยเหตุเกิด คือการเกิดขึ้นแห่งอาหารทั้งหลายที่มีมาแต่ปฏิสนธิย่อมมีขึ้นหมายความว่าเพราะตัณหาเกิดอาหารจึงเกิดแล้วมันก็เกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเจริคนก่อนจะดับจิตก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในที่นั้นทีน่นี้มีบุญกุศลมากพอไหมล่ะถ้าบุญกุศลมากพอก็ไปได้ แต่บุญกุศลไม่มากพอก็อาจจะต้องลดหลั่นลงมาแต่ว่าความต้องการของมนุษย์เราก็มีความขัดแย้งกันหมายความว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันเป็นผลมาจากการกระทำความดีระดับมากพอสมควรแต่ส่วนใหญ่คนจิตใจของเราก็จะตกไปในทางต่ำ คือทำบาปทรมกุศผลไวมากดังนั้นเราจรึงไม่เกิดตามที่เราปรารถนาเสมอไปต่า ง, งประเด็นขึ้นมาว่ามีอย่างไรเพราะในขณะแห่งไปสนธิจะมีโอชาเกิดขึ้นแล้วภายในรูปสามสิบรูปท่วนที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งสันตติสามขนาดก็คืออุปาลทิติพังค้านะ คือกบลิงการอหารที่เป็นอุปาทินกะคือมีใจครอง เ, เกิดขึ้นแล้วเพราะตัณหาเป็นปัจจัยภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารที่เป็นอุปาทินกะเหล่านี้ก็คือมีใจครองเหล่านี้แหละคือภาษาและเจตนาที่สัมพยุดด้วยไปส่วนที่จิตและวิญญาณคือตัวจิตเองเกิดขึ้นแล้วเพราะตัณหาเป็นปัจจัยดังนี้ พึงทราบการเกิดขึ้นแห่งอาหารทั้งหลายที่มีแต่ไปสนฉิเพราะตัรหาก่าก่อนเกิดขึ้นดังพัณ น, นามานีก่อนแต่ประเหตุที่ในอาหารวาระนีท่านพระสารีบุตรเทระได้กล่าวถึงอาหารคระกันไปทั้งอาหารที่เป็นอุปาทินกะคือมีใจครอง และอนุปาฏินกะคือที่ไม่มีใครใจครองฉะนั้นจึงควรทราบการเกิดขึ้นแห่งอาหารที่เกิดจากตัณหาแม้เพราะสำหรับอาหารที่เป็นอปุตอนุปาฏฐินกะสังขารคือไม่มีใจครองเช่นเดียวกันคือหมายความว่าทั้งมีใจครองและไม่มีใจครองเลยเงื่ อ, ไอนไขปัจจัยมันกเน็เป็นแนวเดียวกัน อันที่ยิงโอชามีอยู่ในรูปทั้งหลายที่ตั้งขึ้นแต่จิตที่สารครตด้วยโลภะแปดดวงคือกัลลิงกาลาหานที่เป็นอนุปัถินกะที่เกิดขึ้นแล้วเพราะตัณหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นปัจจัยส่วนภัสสะหนึ่งเจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตที่สารครตด้วยโลภะหนึ่งวิญญาณคือตัวจิตเองหนึ่งรวมกันทั้งสามอย่าง ตอนอย่งางนี้เราจะเห็นว่าก็าที่จริงมันก็ติดติดกันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการอธิบายในรายละเอียดเลยดูคล้ายๆกับเป็นเรื่องเยอะคือเหมือนกับสิ่งที่ละเอียดเนี่ยเราทําให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นไอจุดละเอียดมันก็แตกจากจุดที่เคยละเอียดก่อนนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยปริมาณมันก็คือกันคือเท่ากัน แต่ว่าเพราะว่าส่วนย่อยต่างๆมันถูกตีกระจายออกไปอีกก็ทำให้เหมือนว่าย่อยแล้วเนี่ยมันจะมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราชั่งน้าหนักเนี่ยจะเห็นชัดมากกว่าเช่นสมมุติว่าเราจะตายาอะไรสักอย่างนั่นเนมีน้าหนักสมมุติว่าห้าบาทตาไปแล้วปริมาณดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น แต่ว่าน้ำหนักบางก็คือเท่าเดิมแอาจจะลดลงไปด้วยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็ถูกลมพัดปลีบออกไปดังนั้นเราผัด ส, สะได้แก่ผัด ส, สาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารที่เป็นอนุปาทินกาเกิดขึ้นแล้วเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยทีนี้เพราะตัณหาดับเนี่ยอาหารจึงดับ หมายความมาทั้งสองอย่างเนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดับอย่างหนึ่งก็ดับอย่างหนึ่งเกิดจยางหนึ่งก็เกิดก็เรียกว่ามันเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยการและกันเกิดอาศัยาการไหลกัาานตั้งอยู่อาศัยการและการดับไปความหมายแห่งอาหารยปรากฏเพราะความดับแห่งตันหาที่เป็นปัจจัยของอาหารทั้งหลายทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครอง ส่วนคำอื่นก็ซ้ํากันกับเหมือนเดิมนะฮะในประเด็นวันก่อนที่พูดวันก่อนเนี่ยที่ในอาหารวาระนี้ภาษาริบุตรเทระได้กล่าวถึงสัจจะทั้งสี่ไว้โดยสรุปแล้วในทุกวาระนอกเหนือจากนี้ท่านได้กล่าวไว้เหมือนกันเหมือนกับเหมือนกันในอาหารวาระนี้ พระเหตุดันผู้ศึกษาไม่ควรลืมยกสัจจะมาประกอบในทุกวาระแล้วข้อสรุปเทศนาด้วยคําว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคุณนี้ควรประกอบเข้ากับธรรมที่แสดงแล้วในวาระนั้นๆทั้งนี้เป็นอธิบายความนั้นที น, นี้ความว่าโดยเทศนาเรื่องอาหารมีอธิบายว่า แม้ด้วยสามารถแทงการแทงตลอดด้วยมนุษการที่กล่าวมาแล้วแม้ในทุกบทก็มีทานองนี้ให้เราลองสังเกตว่ามันอยู่ในเรื่องแวดบงของอริยสัจอาหารแต่ละอย่างเช่นสมมติว่าอาหารที่เราต้องกินต้องลิ้มต้องชิมเข้าไปทางปากฐานะของเขาก็เป็นทุกขสัตย์ แต่ว่าเหตุให้เกิดอาหารเนี่ยเป็นสมุทัยสัตว์ทีนี้การรับประทานนั้นก็เป็นมรรคสัตว์การดับความผิวหนไปได้มันก็เป็นนิโรธสัตว์พอมาถึงวิญญาณอาหารข้ออื่นมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้ประการต่อไปก็เป็นสัจจวัตรปิกษูที่มีความชื่นชมต่อคํากล่าวของพระเทราที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ย ทีนี้เมื่อท่านถามขยายพิสดารเมื่ อ, เ ม, อเมื่อพระภิกษุถามขยายออกไปโดยพิสดารว่ามันมีเรื่องอย่างอื่นมากกว่านี้อีกไหมอะไรเนี่ยพระเทรัก็ตอบไปยังมีอีกคุณคือมันไม่ใช่จบลงในที่ใดที่หนึ่งอะเพียงแต่ว่าแสดงให้ไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเท่า น, นั้นเองแล้วก็ถามปัญหาสูงขึ้นไปอีกและวพระเทรัก็ได้แก้ปัญหาในทํานองอย่างอื่น แม้ แ, แก้พิสูจน์เหล่านั้นในทุกวาระนอกจากวาระนี้ก็มีนัยยะดังนี้คือมันจะเพิ่มนัยยะขึ้นไปเรื่อยจากจุดเล็กๆพูดถึงจุดอะไรสักจุดหนึ่งแล้วก็ขยายเพิ่มเติมขึ้นไปเรืเอ่อยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปครบพระเจ้าจะขยายความเฉพาะหัวข้อ ของธรรมซึ่งเป็นคำตอบของประเถระไม่ยุ่งเกี่ยวกับคำประเภทนี้แต่ในการแสดงโดยย่อซึ่งวารณีพึงทราบว่าทุกในคำว่ารู้ชัดทุกขหมายถึงทุกขสัจส่วนในการแสดงโดยพิสดาลคำที่ต้องกล่าวทั้งหมดและกล่าวไว้แล้วในสัจจานิเทศในัำพีวิสุทธิมา คือประเด็นที่ควรเข้าใจให้ชัดลงไปคือทุกเนี่ยเราจะปรากฏว่ามันมีอยู่สามสี่แห่งแห่งหนึ่งเป็นสภาวะทุกคือทุกโดยสภาพของมันคือทุกที่เป็นไปในกฎของประไัยลักษณ์นะกฎประจัยลักษณ์มันคลุมหมดรบทั้งที่เป็นรูปธรรมและก็นามธรรมา ท, ทีนี้ ทุกบางอย่างเนี่ยเป็นทุกที่จอนครับมาก็สืบเนื่องมาจากทุกข์กษัตริย์หมายความเป็นความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากตัณหาหมายความว่าเมื่อหมดตัณหาแล้วแม้สังขารร่างกายยังจะยังดำรงอยู่แต่เพราะจิตไม่มีตัณหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ก็ไม่มีไป อย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าท่านก็นยังเห็นรูปฟังเสียงรุมกลิ่นริมรถอยู่ท่านยังมีวิญญาณอาหารมีผัสสะอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารอยู่เพียงแต่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดอาหารเหล่านั้นไม่มีท่านนั้นเองทีนี้ในเรื่องชารามรณนะ พระเถระก็แสดงมาเรื่อยนะฮะมาถึงเรื่อยเรื่อยก็มาถึงก็ชรามรณนะพวกนี้จะต่อหรือไม่ต่อล่ะถ้าก็จะต่อก็ต่อโสกปริเทวะทุกขโทมนัะอุปาญาตก็ต่อไปได้แต่ตามปกติแล้วก็จะพูดที่ชราเมรณนะเพราะว่าชรานั้นมัน เกิดมันก็เป็นความเกิดนะชาติมันเป็นความเกิดแล้วชรามันเป็นความตั้งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วมรณะมันก็เป็นความตายอย่างอื่นมันก็แทรกอยู่ตรงกลางระหว่างเกิดกับตายนับไฟมากก็มากนับไฟน้อยก็น้อยก็ยกแล้วแต่แต่คนต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ได้นับก็คือมีนั่นแหละเพียงแต่ไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่าเป็นสัมปสัมผัสทรงในชีวิตประจําวันของคนทุกคนอยู่แล้ว ในจา น, นวนวาระเหล่านั้นก่อนอื่นพึงทราบวินิจัยในเชรามรลนะวาระัต่อไปนี้คือคือท่านจะกวว่าในหมู่สัตว์นั้นๆของหมู่สัตว์นั้นๆอันใดพระพุทธเจ้าจะใช้คํว่าอนเตซังเตสังสัตตางตัมหะตัมหะสัตตนิกายาเนี่ยคือซ้ในสัตว์นั้นๆในกำเนิดนั้น เมื่อพูดอยู่ตลอดทั้งวันอย่างนี้ว่าความแก่ของพระเทวทัตอันใดความแก่ของท่านโสมนทัตอันใดดังนี้ก็จะไม่ครอบครุมไปถึงสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเราระบุตัวคนระบุตัวคนตรงนี้ต้องเปย์านนะ่ยนะฮะก็หมายความว่านั้นๆที่นั้นๆในการนั้นๆในโลกนั้นๆหมายความว่าครุมไปหมด คนจะมีสักกี่หมื่นล้านก็ได้แต่เราใช้คำว่านั้นๆในโลกนั้นๆหมายความว่าคลุมเนื้อความทั้งหมดเราไว้ได้แล้วก็ทุกจีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายดังนั้นถ้าไประบุชื่อพระเทวทัตพระสมมัทัตใดแต่แห่งตา่างมันก็เป็นคนเดียวนะฮะมันเป็นคนเดียวแต่นั้นเอง นี้เพื่อความกระชับรักกุมของหลักธรรมที่พระเทระนามาแสดงก็ท่านบอกว่าเป็นการแสดงทั่วไปถึงหมู่สัตว์จำนวนมากด้วยสามารถแห่งการเกิดในคตินะคติก็มีมีทุกขตินะฮะมีทุกขติมีสุ ข, ขติพูดง่ายๆก็มีอยู่สองระดับ ระดับสุกติก็พวกอบายสีระดับสุกติก็จากมนุษย์ขึ้นไปนะขึ้นไปจดหมดแหละก็อยู่ในกลุ่มของสุกติคำว่าในหมู่สัตว์สัตตานิกาเยเป็นการแสดงสรุปถึงสัตว์ที่ได้แสดงไว้แล้วโดยหมายถึงสัตว์ทั่วไปชะลาเป็นอาการที่เราชรากันนี่แหละ ความแก่ความคล้ำคลา้าความแก่งอมของชีวิตอินทรีฟันหกักตาพระมูนวดงออะไรต่ออะไรต่รางๆผมงอกอสี่โครงเป็นโกคดงออะไรเนี่ยที่เราเห็นคนแก่เนี่ยคือพูดถึงคนแก่ทุกวันเนี่ยดูไม่ชัดเหมือนคนแก่รุ่นก่อนอาจจะเป็นเรื่องการแพทย์ดีขึ้นสาธารณสุขดีขึ้นเนี่ย คนแก่บางคนอายุตั้งเจ็ดแปดสิบแล้วฟันยังไม่หักเลยแล้วก็หลังก็ยังไม่ค่อยโกงไม่โคดไม่ไม่โคดงออย่างคนสมัยโบราณคนสมัยโบราณอายุหกสิบแล้วโอโหแก่จังแล้ ว, ว น, นี้สังคมก็เริ่มมองนะฮะเริ่มมองประเด็นตรงนี้ว่าในการแพทย์การสาธารณสุขมันดีขึ้นบางทีการผิดแพทย์ที่มือเยี่มยมๆเนี่ยมันหาไม่ทันอ่ะคือผิดไม่ทัน ท่านก็ต้องเลื่อนอายุกเกษียนขึ้นไปเวลานี้บางกลุ่มบางฝ่ายไม่ใช้เรี่ยวแรงกำลังกายมากแต่่าใช้สติปัญญาใช้ความชำนิชำนาญใช้ความแตกฉานในแต่ละสายของตัวเองเลื่อนไปจนถึงเจ็ดสิบก็จะเลื่อนไปเยอะห5สิบห้าก็มีเจ็ดสิบก็มี หกสิบก็มีหกสี่สิบไม่ได่ห้าสิบห้าก็มีนะฮะห้าสิบห้าก็ยัง ม, นะงมีอันนี้แสดงงานต้งหนักคือจะทําทขนาดนั้นก็คงทําไม่ได้แต่มันก็คงมีความแก่จะนั่นแหละแล้วก็บางทีท่านอาจจะดูแก่กว่าคนที่รุ่นแก่กว่าท่านเพียงเพราะถ้าทํางานหนักใช้เรี่ยวแรงมากใช้ความพยายามมาก ก็ทำให้รู้สึกมันหนักประการต่อไปก็คือความคล่ําคล้าฝันหักแล้วก็อาการเพราะชีรตานะชีรตาก็คือชีรณนตาคือความแก่งงองฝันวันหักผมงอกแล้วก็ อาการของชรลาในปรากฏเด่นชัดขึ้นมาอุปมาเหมือนหนึ่งว่าทางเดินของแม่น้ําปรากฏให้เห็นได้เพราะพัดหญ้าและต้นไม้เป็นต้นไปล้มราบลงหรือทางเดินของไฟปรากฏเพราะหญ้าและต้นไม้เป็นต้นถูกเผาไหม้แต่ทางเดินของต้นไม้เป็นต้นนั้นก็ ไม่ใช่น้ําเป็นต้นนั้นเลยจันได์ทางเดินของชราก็ฉันนั้นเหมือนกันปรากฏได้เห็นที่ฟันเป็นต้นโดยแสดงความสามารถพิการมีความฟันหักการลืมตาดูแล้วก็จับต้องได้ถ้าไม่มีฟันหักเป็นต้นก็ไม่มีชราเพราะชราก็เป็นไปด้วยตา ความมาเห็นกันด้วยตาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังขารที่จริงทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเพียงแต่ว่าไม่มีวิญญาณเขาเรียกว่าเกิดขึ้นรังอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามีวิญญาณเขาก็เรียกว่าแก่เจ็บตายทีนี้บางทีนี่เราก็มาอ่านมันไม่ถึงกับผิดหรอกแต่ว่า ถ้าเราไปใช้คำซ้ำกันแล้วในสุดมันสื่อสารแล้วจะไม่เข้าใจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกรอบมันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะวันก่อนเคยพบเอกสารที่ท่านพูดถึงคำว่ากาเมสมิชาจานไปอยู่ในหนังสือนักเรียนสมัยหนึ่งก็เป็นกรรมการของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการเอ๊ะตรวเราอ่านเรานักงขีดขีดเอ๊ะมันแปลกอ่ะ ท่านเอามาจากไหนล่ะเอามาจากไหนคือท่านบอกว่าการไปล่วงเกินของรักของคนอื่นนะฮะเช่นสมุดดินสอปากกาอะไรต่ออะไสอนเด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเมสุมิจฉาจารย์ด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นอาทินาทานเระจะว่าไงคือในการเมสุมิจฉาจาร์นั้นท่านเน้นเฉพาะการเกี่ยวข้องกันในทางเพศ อย่างเดียวนะอย่างเดียวเท่านั้นเองส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็เป็นผู้เรื่องอาทินนาธานลักษัพท์ลักซ่อนรอมแปลงยักยอกบิดเบือนะอะไรต่างๆสารพัดวิธีที่ใช้เนี่ยเขาเรียกอวหารของอาทินนาธานมันอยู่ในกลุ่มเดียวเครือเดียวกับอาทินนาธานท่านก็เรียกว่าอาทินนาฐานท่านไม่ได้เรียกว่าการมีสมิชาจารย์ ที่นี้ความแก่ความเจ็บความตายที่จริงมันเป็นเรื่องของขณะคือมันเกิดขึ้นเป็นขณะขณะแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็จะแสดงลักษณะอย่างเนี้คือแสดงที่มันขณะมันผ่านไปเยอะแล้วทุกคนเราอยู่ในหนุ่มในสาวทั้งหลายปีนะมันอาการเหล่านี้มันไม่ปรากฏอะไม่ปรากฏได้ชัดเจนยศเห็นชารารูปร่างของชารา อาการของชาาผมงอกฟันหกักหนังหิวหลังโกงเดินตัวสัน่นอะไ ร, ต, ะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่เอามาพูดหร อ, อกเป็นขนาดนี้เขาไม่พูดนะฮะแต่ว่าค่อยพูดเมื่อบุ ธ, ธิภาวะของคนสูงขึ้นมีประสบการณ์ตรงเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นคนเราถึงแม้จะดูข้างนอกมันมีการปรุงแต่งอะไรไปมากก็าตามแปลว่าการที่เรี่ยวแรงมันน้อยลงเหนื่งง่ายแล้วก็ต้องพักผ่อนให้พอต่อามาอย่างัานร่างกายจะยิ่งสุดๆนั้นแสดงเห็นชาราที่มันเป็นรูปธรรมถึงปรากฏออกมาทีนี้ ท่านบอกว่าความเสื่อมสิ้นแห่งอายุความงอมแห่งอินทรีย์อายุโนสังหานี้เนี่ยคือหมายความว่าความเสื่อมไปของอายุแล้วก็อินทรียานิปริปากโกวความแกงงอมแห่งอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจะนะเราจะเห็นว่ามันไม่กระชับเประเสียงเหมือนเดิม นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความปรากฏที่เด่นชัดของชราในพระสูตรเนี่ยก็ไม่อธิบายแบบแบบอภิธรรมอธิบายแบบขณะเพราะว่าคนยังไม่พร้อมที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องตรงนั้นเพราะว่าขาดประสบการณ์ตรงที่เราสัมผัสได้ แต่วันนี้คนรอยเลยหกสิบไปแล้วมาพูดเรื่องอย่างนี้ก็เข้าใจกันแม้แต่เด็กๆอยู่ใกล้ชิดคนเท้าคนแก่มานานเธอก็สังเกตเห็นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วทีนี้เมื่อถึงการเวลาเท่านั้นเหตุที่ท่านเป็นผู้ฉลาดยิ่ง เพราะฉะนั้นสองสองสองการหลังในพึงทราบว่าเป็นคำแสดงถึงอาการชราตามปกติชราที่เราเรียกว่าคนแก่แต่ว่าปัจจุบันคนก็ไม่ย ช, ชอบเท่าไหร่นะชชราเนี่ ย, เ, ยเขาเรียกผู้สูงอายุผู้สูงวัยหรืออาวุโสอะไรก็เรียกไรก็มันก็คือกันนั่นแหละมันมาม า, มาตาเผาเดียวกันนั่นแหละ ทีนี้บรรดาอายุและอินรีทั้งสองอย่างเนี่ยเพราะเหตุที่อายุของผู้ถึงความแก่ย่อมเสื่อมไปมากขึ้นฉะนั้นต่นจึงได้กล่าวชราวไว้โดยพูดถึงผลข้างเคียงว่าความเสื่อมแห่งอายุหมายความว่าชรากับความเสื่อมแห่งอายุนี่นไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่อายุเราเสื่อมเนี่ย ความชลาก็ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรูปธปรรม ท, ที่ชัดเจนมากขึ้นบนรรดาอายุและอินทรีย์ทั้งสองนั้นเพราะเป็นเหตุเพราะเหตุที่อายุของพูดถึงแก่ความแก่าย่อมเสื่อมไปตอนจึงเด้กล่าวควบกันไปว่าพูดถึงผลข้างเคียงว่าความเสื่อแมแ่งอายุ แต่เพราะเหตุที่เวลายัางหนุ่มอินซีทั้งหลายมีตาเป็นต้นอย่างสดใสสามารถรับเอาอารมณ์มีรูปเป็นต้นของตนแม้ที่ละเอียดได้โดยง่ายได้เมื่อเข้าถึงชราแล้วก็จะจะแก่งอมจะขุ่นมัวจะไม่สดใสอารมณ์ของคนถึงจะหยาบก็ไม่สามารถจะรับได้ ดันั้นพระเถราจึงกล่าวถึงชาาด้วยผลใกล้เคียงว่าความแก่งอมแองอินซีทั้งหลายาด้วยอันหนึ่งชรานี้นั้นชราทั้งหมดที่แสดงมาแล้วก็มีสองอย่างคือปากตะชาาความชาาที่ปรากฏหมายความว่าแก่จริงๆนะฮะอยูเลยกลางคนไปแล้วความแก่ก็ชัดเจนมากยิง่งขึ้นแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิจจนชราชราที่ยังปกปิดอยู่คือตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ผ่านการ เ, เป็นเด็กเล็กๆขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตอนนั้นเราก็ไม่เคยพูดชราเราเรียกแกเรินไว้วันก่อนฟังอะไรเขาพูดว่าเอ๊ะคนเราทำไมต้องแกด้วย แล้วก็ถือว่าคล้ายแก่เนี่ยมันมีปัญหาโดยลืมไปว่าแก่เนี่ยมันช่วยคือถ้าเราเกิดแวะมาถึงไม่แก่อลไจะเอาหรืออย่างไงนเน่ยชีวิตที่เป็นอย่างนั้นเอาหรือเปล่าเกิดมาถึงไม่แก่เลยนอนอยู่เหมือนกตอนคลอดมาใหม่ๆอะแล้วใครจะดูแลใครแล้วโลกมันจะอยู่ไปได้ยังไง น, นั้นการ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจาั ก, การราศีของชีวิตด้วยกระบวนการของเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นความดีงามเป็นความสวยงามของโลกแล้วทีนี้ท่านก็ได้ให้เหตุผลไว้ในเรื่องทั้งสองประการนั้นคือจํานวนชาราทั้งสองอย่างนั้นความแก่ในรูปธรรม ท, ทั้งหลายชื่อว่าปากตะชารา แสดงความผิดปกติมีความมีความหักเป็นต้นในวัยวะทั้งหลายมีฟันเป็นต้นให้เห็นความแก่ในอรู ป, ประธรรมที่ชื่อว่าปฏิชนะชราเพราะไม่แสดงความผิดปกติเช่นนั้นให้ปรากฏทั้งความหมายหนึ่งนะความหมายหนึ่งคือหมายความว่ามันที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันไม่ปรากฏแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วทุกคนปรากฏนะ เสว่าความคิดอะไร ต, ต่างๆเนี่ยเราไม่ปรับริวเราไม่รวดเร็วฟังอะไรคิดไม่ค่อยทันคิดไม่ค่อยออกนั่นก็แสดงว่ามันก็เปลี่ยนแปลงะนะคือยกบางอย่างนั้นได้แต่เอาทั้งหมดไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่ภาษาลบุตรแสดงเองพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ในทุกขสัตในทุกขสัจส่วนของมหาสติปัฏฐานาสูตร แด้อธิบายไว้ในที่อื่นพิสดารมากกว่านี้ก็มีเพราะงั้นเราก็ต้องมองว่าตอนช่วงจากเพิ่งเกิดมาถึงกลางคนนั้นแก่ยังปิดอยู่แล้วก็หลังจากนั้นไปความแก่ก็จะเปิดขึ้นเอาตรงนี้ไว้ก่อนเอาตรงนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยพูดถึงถึงข้างในพราะ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะแยกระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนี่ไม่ได้ พูดไปพูดมาคล้ายๆกับเด็กยังไม่แก่ทั้งๆที่เธอก็แก่กว่าคนที่อ่อนกว่าเธออยู่แล้วทีนี้ชราสองอย่างอีกคือก็อวีจิชราแก่ไม่มีร่องรอยให้เห็นสวีจิชราแก่ที่มีร่องรอยให้เห็นนั่นจำนวนแก่ทั้งสองนั้นแหละ เอชล า, าของแก้วมณีของทองของเงินของแก้วประพานของจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นต้นเนพิงทราบว่าอาวิชาราคือแก่ที่ไม่มีร่องรอยให้เห็นว่าเราแก่อย่างสมัยโบราณที่เขาพูดถึงพระจันทร์ที่อยู่ในไม่ใช่กระตายแต่ อ, อยู่ในดวงจันทร์นะตุ ว, นวันแกอยากเป็นรูปกระตายอยู่งั้นแหะ เราก็อาศัยสัญญาเก่าคือไปจาทรงหมายเอาไว้ว่านั้นก็คือลูกระต่ายลูกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์เรามองเห็นเมื่อไรก็เห็นบันอย่างนั้นแหละแต่จริงก็ลึกๆมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั่นแหละเพราะนั้นในบรรยายมวลสารที่มาควบรวมกันนี่มันใหญ่มาหาสารเลยความเสื่อมมันก็เสื่อมอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าเราไปดูใกล้ๆ เรา ร, ราดูจากส่วนไกลก็ไม่เห็นแต่ถ้ามีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันเรือมีกล้องโทรทัศน์สองก็ไปดูแล้วก็เก็บภาพเอาไว้ปีหนึ่งเอามาดูอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงรอยปิแยกต่างๆการแตกออกเป็นชิ้นเป็นแผ่นบางบหนาๆและต่อะไรต่างๆ ทีนี้อัชราไม่มีระหว่างคือไม่มีขั้นตอนเพราะความแตกต่างของสีเป็นต้นในระหว่างในระหว่างรู้ได้ยากเหมือนความแตกต่างแห่งสีเป็นต้นในระหว่างของสัตว์ที่มีปลานรือสัตว์ที่มีลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็มีความเปลี่ยนแปลง มีความเปลี่ยนแปลงมีชาราที่เราก็เห็นกันอยู่จระนั่นแหละแต่ว่ามันสังเกตได้ยากเท่านั้นเองเช่นว่าคนกลุ่มอายุสิบเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เหมือนความแตกต่างแห่งสีเป็นต้นในระหว่างในระหว่างของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นดอกไม้ผลไม้ใบไม้เป็นต้น แต่ชาลาในสิ่งอื่นนอกจากนั้นตามที่กล่าวมาแล้วชื่อว่าสวีจิชราเพราะความแตกต่างแห่งสีเป็นต้นระหว่างระหว่างเป็นสิ่งที่พึงเห็นได้เช่นเราปลูกต้นไม้เอาไว้เราก็ดูเขาทุกวันดูเขาทุกวันแล้วก็เพ่งดูเราจะเห็นว่าไอ้ที่แตกก็แตกไอ้เริ่มเขียวก็เขียวแล้วก็เขียวไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเหลืองเหลือเหลืองเหลืก็ไป ถึงจุดหนึ่นแกก็ล่นวันจะนดามันก็สอนเราเรานั่งดูต้นไม้ต้นเดียวนี้เห็นหมดเลยทั้งเกิดแก่ตายทีนี้ในส่วนของการการเกิดการเกิดก็ทรงใช้คำว่าของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดจุติ คือการเคลื่อนการเคลื่อนหมายความมาการตายจากที่หนึ่งเพื่อไปเกิดในที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นคาทั่วไปสมับขันหนึ่งขันสี่และขันห้าขันหนึ่งขันสี่ขันห้านั้นเป็นการพูดหมดนะหมดโลกแล้วไม่เหลืออะไรแล้วหรือทั้งมีชีวิตพวกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันก็มีขันแต่ไม่มีชีวิตก็เป็นรูปประขัน อันเดียวขนหนึ่งก็คือพรมลูกฟักนะพรมลูกฟักที่เรียกอสัญญีสัตว์คือท่านตายในใ น, ในระหว่างฌานแล้วก็สำรอกความพอใจติดใจในส่วนที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นพอบทกระตายก็ยังเหลือเฉพาะรูปประคัน การเรียกว่าโผลมลูกฟักคืออยู่เฉยๆอยู่ในพรหมโลกนั่นแหละนั้นเนกาเลพระพุทธเจ้าสัจจะรู้ไปแล้วทรงองค์สามองค์ยังไม่ได้ลงมาเลยไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็ดีปีกแบบอะไรเนี่ดีไปอีกแบบหนึ่ง ก, ก็ดีกว่าแต่หมุนวนเร็วๆอย่างเกิดจากมนุษย์ตายไปเป็นมนุษย์เกิดเกิดจากตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่ไหวอ่ะมันซ้าซากอะไรเกิน ถาพูดถึงเราระลึกชาติได้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันสั้นนิดเดียวเองเวลามันห่างกันนิดเดียวทะเองเอ้าเกิดอีกแล้ ว, ลวอ้าวเรามาเกิดตรงนี้แล้ ว, ลวเหรออ้าวเราเกิดเป็นคนอีกแล้วเหรอแต่ถ้าไปที่ไกลนานอย่างนั้นก็ก็พักสังสารวัตเอาไว้ทําให้แก่่าชาลงไปประการต่อไปก็คือ การแตกทำลายของสังขารร่างกายหรือว่าการสูญหายการอันตรธานของสิ่งต่างๆที่มาประกอบกันเข้าพอจุตินี่เราจะเห็นว่าในในส่วนตัวเรานั้นคือลมหายใจมันดับไออุดมันดับอายุมันขาดแต่มันติดกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าดูอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าลมหายใจต้องดับก่อน ก็ดับก่อนก็อนไออุ่นมันก็เริ่มดับแต่ว่าไม่ดับเร็วหรอกไออุ่นนะมันก็ก็อยู่หลายนาทีอยู่หรอกแต่อายุนันจบแล้ะอายุมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะหยุดตอนที่ลมหายใจดับนี่ก็ตันเรียงตะเรียงเป็นขณะนะเห็นมหเหตสัน้นนิดเดียแต่ตันเรียงเป็นขณะแล้วก็การสูญหายตลอดถึงการม้วยมอนหรือการตายเนี่ย พระเถระปฏิเสธสมุเฉธามรณะสมุเฉธาเมรณะคืออันนี้เป็นการพูดเรื่องโลกีธรรมนะฮะพูดเรื่องโลกีธรรมแต่สมุเฉตม ร, รณะเนี่ยมันหมายถึงการนิพพานของพระอระหันต์เปรว่าตายเด็ดขาดไปเลยไม่มีการเรียนว่าตายเกิดอีกต่อไปแล้ว จึงไม่ใช่ประเด็นที่เอามาพูดในทีน่นี้ตามปกติแล้วคนรลกตายเขาเรียกว่ากาละมรณะตายในเวลาที่ต้องตายอาการลมรณะตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายเต้นเกิดวุทธิเหตุต่างๆเป็นต้นแต่ว่าตายทั้งหมดนั้นท่านสรุปเป็นสมมติมรณะสมมติว่าตายอ่ะนายก็ตายก็สมมตินตายก็ตายตายปั๊บเป็นจุติแล้วไปนสนทิปุ๊บ ก็กลายเป็นนายกนายขออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคนเดิมนั่นแหละคนเดิมก็คือบาปบุญชุดเดิมนั่นแหละที่นําเขาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรทีน่นี้ต้องการจะแสดงแบบปรมัด ต, ตอนตายแบบปรามัดปฏิรูปรรจึงกล่าวว่าการแตกแข่งขันทั้งหลาย หมายความว่าขันเนี่ยที่จริงทั้งหมดเนี่ยพอตายปั๊บแกก็แยกกันส่วนรูปประขันก็แยกช้าหน่อยส่วนนามขันก็แยกกันเร็วหน่อยแต่ว่าคือแยกก็โดยปรมาัตน์แล้วเนี่ยขันทั้งหลายเราเท่านั้นแตกดับไม่ใช่สัตว์ตายเลยเมื่อขันทั้งหลายกำลังแตกดับอยู่ สัตว์ที่ชื่อว่ากำลังตายเมื่อแตกดับก็เรียกกันว่าตายแล้วชรามรวาวระนี้การแตกดับแผงขันทั้งหลายมีได้โดยจตุโบการจตรุโบการก็คือมีขันสี่นะมีขันสี่แต่ตะกี้ก็มีขันหนึ่งต่อไปก็มีขันสีขันสีก็คือเวทนาสฉายาสงขานบิญญาณ พวกได้อรูปฌานอารูปฌานสี่ท่านเหล่านั้นจิตท่านละเอียดแล้วก็สัมรอดความพอใจในรูปขันออกไปเรื่อยเืยจนถึงจุดหนึ่งไม่มีความพอใจไม่มีความยินดีในขันแล้วก็โลกในความเห็นของท่านก็จะมีอยู่ก็ไม่เชิงจะไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่มันก็เหมือนกับ น, น้ําที่ ก็ล้างบาดเสร็จล้วค้อมบาดเอาไว้ยังไม่ได้เช็ดเนี่ยเราจะถือว่ามีน้ำก็ไดไม่มีน้ำก็ได้มีน้ำเพราะมันยังเปียกอยู่ไม่มีน้ำเพราะมันดื่มไม่ได้ตรงนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยจะโดยจะตุโบกานทีนี้การทิ้งสักศพมีได้โดยเอกโบกาน ร, ระพบคือรู ป, ปรขันหนึ่ง เมื่อการแตกดับแห่งขันทั้งหลายพึงทราบบะโดยเจตวการะพบส่วนการทอดทิ้งซากศพพึงทราบด้วยสามารถแข่งพบทั้งสองชิเดือเอกวะการะพบและปัญจวะการะพบคือปัญจวะการะพบก็คือพวกเรา น, น่ยนะพวกเราคือเราจะเห็นว่าที่เราทิ้งไว้ชัดเจนก็คือร่างกาย ท่านแต่งไว้เป็นคำกรอนว่ายศไล่ล่าผ่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟนั่นเด็กท่านฟังทลายเสียงธรรมจากหมาวิลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมยุมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี